Thank mm -hmm. you. เือว่าทุกคนในที่นี้คุณนเคยกับ น, นวนที่ว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังสํานวนนี้หรือประโยคนี้สําคัญมากนะความหมายของมันเนี่ยอาจจะมากกว่าที่เราเคยเข้าใจส่วนใหญ่เนี่ยเรานึกถึงสํานวนนี้เวลาคนทะเลาะกันทะเลาะกันถึงขั้นวิวาสแล้วก็มักจะเตือนกันว่าเนี่ยตบมือข้างเดียวไม่ดังนะเพราะว่าแต่ละคนมักจะโทษอีกฝ่ายหนึ่ง ว่าเขาเป็นตัวการแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะถ้าคนใดคนหนึ่งนะเป็นตัวการเนี่ยเช่นด่าทอและอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ตอบโต้นะมันก็การวิวาสก็ไม่เกิดขึ้นแต่ที่เกิดขึ้นได้เพราะว่าฝ่ายหนึ่งดา่าอีกฝ่ายนึ่งก็ตอบโต้นะ อาจจะด่า ก, กลับหรือว่าขนมผสมน้ำยานะมันก็เลยเกิดความวิวาทถึงขั้นอาจจะลงไม้ลงมือถ้าว่าเกิดเหตุการณ์เนี้ยคนก็จะบอกว่าเนี่ยตอกมือข้างเดียวไม่ดังหรอกเพราะว่าอีกฝ่ายนึงก็มักจะอ้างว่าคู่กรณีนะเป็นสาเหตุความหมายคาว่าตบกมือข้างเดียวไม่ดังคือว่าทาฝ่ายดียย่อมไม่เกิดผล อย่างที่บอกนะถ้าฝ่ายหนึ่งด่าด่าด่าด่าอีกฝ่ายหนึ่งเงียบหรือว่าไม่ใช้ความความรุนแรงความพูดที่รุนแรงเนี่ยตอบโต้มันก็ไม่เกิดอะไรอันนี้ก็เป็นความหมายที่เราคุ้นเคยกันแต่ที่จริงแล้วเนี่ยตัวมือข้างเดียวไม่ดังเนี่ยมันมีความหมายมากกว่านั้นมันเป็นความจริงที่ ครอบคลุมไปถึงเรื่องความสุขและความทุกข์ด้วยคนเราเนี่ยมักจะคิดว่าจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อได้กินอาหารที่อร่อยฟังเพลงที่เพราะได้ไปเที่ยวที่ที่มันสวยงามหรือว่ามีคนที่น่ารักน่าพอใจอยู่ใกล้ๆแต่นั่นเป็นแค่ความจริงครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งที่คนมักจะมองข้ามคือว่าใจเนี่ยนะมันต้องพร้อมด้วยใจมันต้อง เอกูลด้วยกินอาหารที่อร่อยในโรงแรมหรูฟังเพลงที่เพราะนะในคอนเสิร์ตที่ดังแต่ถ้าใจเนี่ยมันห่วงห่วงลูกใจห่วงพ่อแม่ใจกังวลเรื่องงานเนี่ยอาหารอร่อยไหมเพลงเพราะั้มมีความสุขไหมนะไปไกลถึงอเมริกานะไปเที่ยวถึงญี่ปุ่นนะแต่ว่า คุณเครื่องเพื่อนร่วมทริปหรือโมโหไกดมีความสุขไหมถึงแม้ว่าจะไปเดงที่ที่สวยงามนะธรรมชาติวิ จ, จิตบรรยากาศสงบนะแต่ถ้าใจมันไม่เออออด้วยเนี่ยไม่มีความสุขละมีคนน่ารักอยู่รอบข้างนะแต่ว่าถ้ามีความ เศร้าโศกเสียใจเพราะว่าได้ข่าวจากเพื่อนว่าบริษัทที่ตัวเองทำเนี่ยมันเจ๊งหรือว่าตัวเองตกงานกาลังจะตกงานก็ไม่มีความสุขเหมือนกันท่นคนรอเนี่ยจะมีความสุขได้เนี่ยไม่ใช่เพียงเพราะว่าได้ได้เจอได้สัมผัสได้เสพนะสิ่งที่เ ะ, อะรอร่อย หรือว่าสิ่งที่น่าพึงพอใจเท่านั้นมันยงอยู่ที่ใจของเราด้วยนะแม้แต่ความสุขทางเพศหรือสัมผัสทางเพศเนี่ยซึ่งใครๆว่าเป็นเรื่องที่เป็นความสุขอย่างยิ่งแต่ถ้าเกิดว่าใจมันวิตกกังวลนะกับงานการหรือว่าแม้กระทั่งเกิดความเบื่อหน่ายในคู่นอนเนี่ยมันก็ไม่มีความสุขทาไปแบบแก่ ไอ้ความจริงตรงนี้นะคนมักจะมองข้ามแล้วทีนะ่สำคัญคือไม่ใช่เฉพาะความสุขความทุกข์ด้วยความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะว่ามันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับเราที่เป็นลบเสียงดังแดดร้อนคนไม่น่ารักอยู่ใ ก, ใกล้ๆหรือว่าเศรษฐกิจ พันผวนบ้านเมืองวุ่นวายเป็นถึงแม้กระทั่งเรื่องกรณีเล็กเล็เชันรถติดไอ้ทั้งหมดนี้มันทำให้เราทุกข์ไม่ได้หรอกถ้าใจเรานะไม่ไปผ ส, ผสมโงด้วยหรือหรือจะพูดอีกอย่างนะคือใจเราเนี่ยเข้าไปเป็นตัวการเปเพราะมองไม่เห็นตรงนี้คนมักจะโทษสิ่งแวดล้อมโทษคนนั้นคนนี้ โทษอะไรต่ออะไรมากมายว่าทําให้ฉันทุกข์เป็นเพราะเขาด่าฉันน่ยฉันถึงกลัวกุมใจฉันถึงโกรธเป็นเพราะเสียงดังทําให้ฉันหงุดหงิดเป็นเพราะรถติดทาให้ฉันกังวลจริงๆเนี่ยถ้าใจเรานะมันรู้สึกมันไม่เก็บเอาคําพูดคําต่อว่าของเขาเอามาคิดนะมันก็ไม่ทุกข์ น, นะไม่โกรธ หรือแม้แต่เพียงแค่ไม่คิดว่าเนี่ยเขากำลังด่า ก, กูเขากาลังด่า ก, กูไม่ทุกข์กันนะคนที่พอเจอคำต่อว่าแล้วมาพิจารณาเออเราได้เรียนรู้อะไรบ้างนะจากคำต่อว่าเขากำลังบอกว่าเรามีข้อบอกพร่องตรงไหนหรือสิ่งที่เขาพูดมาจริงไหมเราก็จะไม่โกรธนะมีเศรษฐีคนหนึ่งนะเป็นอดีตเจ้าของเมืองโบราณพูด วันไหนไม่ถูกตำหนิวันนั้นเป็นอัปมงคลเมื่อใดที่ถูกตำหนิไม่ได้โกรธนะเพราะเขามองว่าคำตำหนิเนี่ยมันไม่ใช่หมายถึงการที่มา ด, าดาม่ากูด่ากูมาว่ากูแต่เขามองว่าเออไอเด็กเขาพูดมันมีประโยชน์ยังไงบ้างมันจริงไหมคือไม่ได้เอาตัวกูออกหน้าไม่ได้เอาตัวกูออกรับเมื่อเอาตัวกูออกรับเนี่ยมันก็เจ็บสิ เหมือนกับเราเดินไปในสวนมะพร้าวเจอลิงไอ้ลิงตัวนี้มันชอบแกล้งคนมันชอบเอามะพร้าวเนี่ยคว้างใส่คนที่เดินอยู่ข้างล่างเราเดินไปตรงนั้นพอดีเห็นลิงมันคว้างแล้วมันคว้างแล้วด้วยมะพร้าวมะพร้าวาพุวพวพ่งมาที่เราเราจะทํำยังไงถ้าเราเดินเฉยๆบอกว่านี่เป็นที่ของกูนี่เป็นสิทธิ์ของกู ก็โดนมะพร้าวอัดเข้าไปเต็มหน้าหรือเต็มตัวอย่างนี้จะโทษลิงเต็มที่ได้ไหมทาไมเราเห็นในเมื่อเราเห็นมะพร้าวมันพุ่งมาทําไมเราไม่หลบหรือว่าพอมะพร้าวพอหลบแล้วเนี่ยมะพร้าวตกลงบนพื้นหลายคนก็ทํำยังไงเก็บมะพร้าวควางลิงการที่เอามะพร้าวเนี่ยเก็บกลับบ้านไปเฉาะเอาเนื้อเอาหน้าไป คนส่วนใหญ่ทํากับคําพูดคําด่าแบบนี้แหละกับกรณีแรกนะก็พื้นเขาด่ามาก็เอาหน้ารับเอาตัวกูรับมันะเจ็บสิแทนที่จะหลบแทนเจรเลี่ยงเจ็บไม่พอนะด่ากลับอีกนะแทนที่จะเอาคําพูดเขามาพิจรารณาเออมันมีประโยชน์ไหมเหมือนคนที่เหมือนคนฉลายก็จะเอามะพร้าวนี่นะแทนที่จะเครื่องกลับก็เอาเก็บกลับบ้านไปเลยนะเพราะว่ามะพร้าวมันมีของดีอยู่ข้างใน ถ้าเจ็บเพราะคำด่าเนี่ยนะก็ต้องโทษตัวเองด้วยเนะว่าเรามีส่วนเอาคำด่าของเขามาคิดมาทิ่มแทงตัวเองหรือไม่ก็ไม่ยอมหลบเสียงดังก็เป็นกันนะถ้าหุนหินเนี่ยนะลองกลับมาดูใจสักหน่อยก็จะพบว่าเป็นเพราะใจเรามันมันต่อต้านจิตใจมันผักใสมันพูดง่ายคือมันมีความไม่ชอบเสียง ไอ้ความไม่ชอบเสียงนี่แหละที่ทําให้ทุกข์มากกว่าตัวเสียงเสอีกเพราะเมื่อไรที่ไม่ชอบเสียงแม้จะเป็นเสียงเพราะเสียงลิงโทนเสียงลิงโทนไพล็อกแค่ไหนใจก็งุดหงิดนะบางทีหงุดหงิดจนจะทนไม่ไหวต้องตะโกนดา่าคนที่เป็นเจ้าของโทรศัพท์ว่าทําไมไม่หยุดไม่ปิดเสียงสักทีเนะ่ยไปว่าเขาที่จริงเนะี่ยเป็นเพราะใจเราด้วยนะมันไม่ชอบมันผักสามันมีความรังเกียจ ถ้าใจาเราเป็นปกตินะเสียงมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกรถติดก็เหมือนกันนะรถติดหงุดหงิดเพราะอะไรนะเพราะผูดง่ายๆคือไม่ชอบรถไม่ชอบรถติดมีรู้ความรู้สึกลบ ก, กับสัญญาณจรา จ, จรหรือว่าไฟแดงหรือเป็นเพราะใจเราโมโนใจเราจินตนาการว่าถ้าติดอย่างนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปทํางานช้าเดี๋ยวจะไปประชุมไม่ทันเดี๋ยวจ ะ, ะตกเครื่องบิน เดี๋ยวจะผิดนัดเนี่ยถามว่ามันเกิดขึ้นยังยังไม่เกิดเลยแต่จินตนาการไปละมันโนไปละอันนี้เรียกว่าปรุงแต่งคนเราทุกข์เพราะจิตที่ปรุงแต่งเยอะนะทั้งที่มันยังไม่เกิดขึ้นไปละแล้วก็ไปโทษคนนั้นคนนี้ไปโทษรถติดแต่ไม่ได้กลับมาดูใจว่าเป็นเพราะใจเราเนี่ยมันปรุงแต่งมันโนไปหรือเปล่า ล, ลองพิจารณาดูนะความทุกข์ที่มันเกิดขึ้น โดยเพราะความทุกข์ใจเนี่ยมันรู้แล้วแต่เป็นเพราะปล่อยให้ใจมันปรุงแต่งเป็นเพราะใจไปยึดติดหรือพูดง่ายๆรวมๆคือว่เป็นเพราะความหลงปล่อยใจให้มันหลงหลงก็ไปในความคิดหลงก็ไปในอารมณ์หรือว่ามีความรู้สึกลบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดกับเราเนี่ยมันไม่แย่เท่ากับความรู้สึกหรือปฏิกิริยา แย่ๆที่เรามีต่อสิ่งนั้นลิงเนี่ยนะเราก็รู้นะลิงเนี่ยมันเกลียดกระปิถ้านเะกิดมือมันถู ก, กมันถูกกระปินี่นะมันจะรีบเอามือเอานิ้วเนี่ยถู ก, กับพื้นถู ก, กับหินถู ก, กับเสาถู ก, กับเปลือกไม้แล้วก็จะเอามาดมเอานิ้วมาดมถ้ายังมีกลิ่นอยู่ก็จะถูไปเรื่อยๆจนกว่ากลิ่นจะหายแต่กว่ากลิ่นจะหายเนี่ยมือมันก็ถลอกเลือด ก, ก็ไหล หลายซิบซิบดวงทีเป็นแผลเลยถ้ายังมีกลิ่นอยู่นะมันก็ยังถูถูจนเป็นแผลเวอร์น่าสงสารณคำถามคือว่าที่ลิงเลือดไหลเนี่ยนะเป็นแผลเนี่ยเพราะอะไรหลายคนจะตอบเพราะกระปีจริงไม่ใช่หรอกเป็นเพราะความเกียดกระปีต่างหากกระปีไม่ทําให้ลิงเป็นแผลนะเพราะกระปีมันไม่ใช่กรดจะไปกัดเนื้อกัดนิ้วให้เป็นแผลได้ แต่เพราะความเกลียกกะปีความเกลียกกะปีเนี่ยมันสั่งให้ลิงเนี่ย ถ, ถูถูกับถูนิ้วกับพื้นจนเป็นแผลความเกลียกกะปีอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจกะปีไม่ได้ทําร้ายลิงแต่ความเกลียกกะปีต่างหากที่มันทําร้ายลิงเสียงไม่ได้ทำให้เราทุกข์แต่เพราะความไม่ชอบเสียงต่างๆที่ทําให้เราทุกข์คนนั้นคนนี้ก็เหมือนกันนะเจ้านายเพื่อร่วมงานเขาไม่ได้ทําให้เราคุณมัวแต่เพราะความรู้สึก นะไม่ชอบหรือว่ารู้สึกลบกับเขาอาจจะเป็นเพราะอดีตเหตุการณ์ประสบการณ์ที่ผ่านมาที่มันฝังใจก็ทําให้เรานะไม่ชอบเจอหน้าเขาเนี่ยนะขุ่นมัวขึ้นมาเลยบางทีปี๊ขึ้นมาเลยเนี่ยลองถามใจตัวเราเองนะว่าเวลาทุก์เนี่ยทุกใจเป็นเพราะอะไรอย่าไปมัวแต่โทษคนนั้นคนนี้ แต่เป็นเพราะใจของเราเนี่ยที่มันวางไว้ไม่ถูกหรือว่าใจที่มันเปิดช่องให้ความโกรธความเกลียดความหลงเข้ามาครอบงำมันเกิดขึ้นได้เป็นธรรมดาแต่ถ้าเราหมั่นดูใจของเราสักหน่อยแทนที่จะส่งจิตออกนอกแทนที่ไปเพ่งที่คนนั้นคนนี้แทนที่ตาจะไปจ้องอยู่ที่ สัญญาณจราจ ร, รไฟแดงหรือว่าตัวอักษรนะตัวเลขที่มันก็ขยับไปเรื่อยๆจากเก้าสิบเป็น 89, 88, แปดสิบ้าแปสิบแปดรอว่าเมื่อไหร่มันจะศูนย์สักทีเป็นไฟเขียวอย่าไปจับจ้องตุนนั้นกลับมาดูใจเห็นความงุนงิ่นั่นแหละนั่นแหละจะช่วยได้ให้ตบมือข้างเดียวเนี่ยเสียงไม่ดังเนี่ยนะมันเกิดขึ้นได้เมื่อเรากลับมาดูใจ อะไรจะเกิดขึ้นรอบตัวก็ตามนะมันก็เป็นเหมือนกับมือข้างเดียวซึ่งตบไม่ดังเราจะไปเผลอปล่อยให้ใจเป็นมืออีกข้างหนึ่งที่ไปพลอยตบให้เกิดเสียงดังนะตบมือข้างเดียวไม่ดังและนั่นแหละคือสิ่งที่เราควรจะจดจำเอาไว้นะเวลาทุก์เมื่อไหรเนี่ยให้รู้ว่าเนี่ยมันมีมือสองข้างตบแล้วละข้างหนึ่งก็คือ สิ่งที่อยู่ในใจเราหรือปฏิกิริยาในใจเราจัดการที่ตรงนั้นก่อนข้างนอกอาจจะจัดการไม่ได้นะจะไปให้ให้คนนั้นคนนี้ก็พูดพรอกับเราจะให้เสียงมันหายทํายากนะจะให้สัญญาณจราจรนะมันเปลี่ยนเป็นเขียวไวๆหรือทําให้สิง่งแวดล้อมเนี่ยมันดีถูกใจเราเนี่ยมันยากหรือเป็นไปไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่เราทําได้คือ ดูใจจัดการที่ใจและจัดการที่ใจไม่ต้องทำอะไรมากเพียงแค่รู้ใจเพียงแค่รู้ใจเท่านั้นแหละรู้ว่าตอนนี้นะมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นกับใจรือว่าตอนนี้กำลังมโนอยู่พอรู้แล้วมันจะหยุดพอรู้แล้วมันจะวางไม่ต้องไปกดข่มไม่ต้องไปทำอะไรกับมันมากแค่รู้ทันให้รู้ใจหลายคนมักจะทุกข์เพราะรู้สึกว่าคนรอบข้างไม่รู้ใจเรา แฟนไม่รู้ใจนะลูกไม่รู้ใจลูกน้องไม่รู้ใจนะแต่สิ่งที่มักจะมองข้างคือแล้วเราอ่ะรู้ใจตัวเองหรือเปล่าเอาแต่เรียกร้องคาดหวังให้คนนั้นคนนี้รู้ใจเราให้คนอื่นมารู้ใจเราเนี่ยถามว่ามันเป็นไปได้ไหมหรืออะไรจะยากกว่ากันระหว่างคนอื่นมารู้ใจเรากับเรารู้ใจตัวเอง เรารู้ใจตัวเองมันง่ายกว่านะที่จะให้คนอื่นรู้ใจแล้วทําไมเราไม่ทําสิ่งที่ง่ายทําไมเราไปทําสิ่งที่ยากอะคาดหวังเรียงร้อยคนอื่มารู้ใจเราทําสิ่งที่ง่ายสิก็คือกลับมารู้ใจตัวเองคนอื่นเขาไม่รู้ใจเราก็เป็นเรื่องของเขาถ้าเรารู้ใจตัวเองเราก็จะมีความสุขให้ความทุกข์ก็เล่นงานจิตใจเราไม่ได้อันนี้เราตบมือข้างเดียวไม่ดัง คนราถ้ารู้ใจตัวเองนะมันไ ม, ม, นไม่มันไม่ทุกง่ายๆนะแล้วยิ่งถ้าเรารู้ใจตัวเองเนี่ยบ่อยๆเนี่ยมันมาดูใจตัวเองเนี่ยมีอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นยิ่งเกิดขึ้นบ่อยเท่าไหร่เราก็จะฉลาดเราก็จะรู้ทันมันได้ไวเราจะรู้อุบายมันแต่แปลกนะคนส่วนใหญ่เนี่ยนะเจออารมณ์ต่างๆเนี่ยนับครั้งไม่ถ้วน ยิ่งคนชราคนแก่เนี่ยเจอความโกรธเนี่ยเป็นหมื่นครั้งแล้วมั้งหรืออาจจะเป็นเป็นหลายหมื่นแล้วนะถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งโกรธสองครั้งนะสามสิบสามสิบปีก็สองหมืนครั้งแล้วคนที่อายุเจ็ดสิบปีนี่นะเจอความโกรธนี่หลายหมื่นครั้งแต่แปลกนะยิ่งโกรธหนักขึ้นยิ่งโกรธง่ายขึ้นะยิ่งอายุมากยิ่งโกรธง่ายขึ้น ฉะนั้นที่มันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเราเจออะไรเราเจอใครเนี่ยถ้าเราเจอบ่อยๆเราจะรู้จักคนนั我們我們 <To> anyway, ้นดีขึ้นเช่นเราเจอคนที่ชอบโกหกเนี่ยหรือกาล่อนเนี่ยนะเราเจอเขาบ่อยๆเราจะรู้เลยเขาจะมาไม้ไหนเราเจอคนที่ชอบเอาเปรียบหรือว่าชอบขอโน่นขอนี่เราเจอเข้าไปบ่อยๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเขาจะจะพูดอะไรเห็นลูกกระเดือกก็รู้แล้วเขาจะพูดอะไร เราเจอคนที่ขี้งุดหงิดเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราจะจัดการกับเขาอย่างไรจะพูดยังไงไม่ให้เขาโกรธหรือว่าถ้าเขาโกรธแล้วเนี่ยเราจะทาใจอย่างไรไม่ถือสาเขาเนี่ยประสบการณ์ที่มีมากขึ้นเนี่ยนะมันทำให้เราฉลาดปกตินะแต่ทำไมคนที่เจอความโกรธเป็นพันเป็นหมื่นครั้งโกรธง่ายขึ้นเหมือนกับว่าไม่เคยได้เรียนรู้จากความโกรธเลย เราไม่ทําอย่างนั้นนะกับคนที่กับกรณีอื่นกับคนที่ชอบเอาเปรียบเราหรือแม้ทั้งดินฟ้ากาดอยู่ที่นี่มานานๆจะรู้เลยนะเวลาเราดูเมฆเราจะรู้เลยว่าเมฆแบบเนี้ยฝนจะตกไหมเมฆาจะตกไหมเรารู้เพราะอะไรเพราะประสบการณ์เพราะเราเจอมันบ่อยขนาดเมฆมันไม่ได้มาหาเราไม่ได้เกิดกับเราทุกวันนะแต่ว่าผ่านไปปีสองปีเราก็รู้นิสัยมันแล้วรู้ทางมันแล้ว แต่ทําไมกับความโกรธความเศร้าวความเครียดเนี่ยยิ่งมันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเรากลับโดนมันเล่นงานหนักขึ้นมันครอบงาได้ง่ายขึ้นคนที่ขี้โกรธเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยเจอความโกรธเขาเจอมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วและเพราะเขาเจอบ่อยๆนี่แหละจึงถูกมันเล่นงานเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ดูมันความโกรธเนี่ย ต่างหาที่พอมันเกิดขึ้นกับเราบ่อยๆเนี่ยมันรู้มันรู้ว่าจุดต่อของเราอยู่ตรงไหนมันฉลาดนะพอมันเกิดกับเราบ่อยๆพอมันมาเรบ่อยๆมันรู้ทางเราแล้วมันก็รู้ทางที่จะเจาะเข้าไปในจิตใจของเราแทนที่เราจะฉลาดนะพอเจอมาบ่อยๆนัมันกลับฉลาดกว่าแล้วเราไม่คิดที่จะเรียนรู้จากมันความเครียดกเหมือนกันนะคนที่เครียดเนี่ยยิ่งเจอความเครียดบ่อยๆนะยิ่งพลาดท่าเสียทีความเครียดได้ง่ายขึ้น เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะไม่หมั่นศึกษาไม่หมั่นดูมันถ้าเราดูมันบ่อยๆเนี่ยเราจะรู้ทางมันแต่เป็นเพราะเราไม่สนใจเรามัวแต่ส่งจิตออกนอกมันกลับฉลาดกว่าเรามันกลับรู้ทางแล้วก็ใช้เราเลยนะไอ้ความโกรธเนี่ยพอมันเจาะเข้าไปในใจเรานี่มันใช้เราเลยมันใช้เราให้ด่ามันใช้เราให้แม้กระทั่ง ปกป้องรักษามันอันนี้รวมถึงความเศร้าด้วยนะรวมถึงอารมณ์ต่างๆเวลาเศร้าเนี่นะมีเพื่อนจะมาชวนให้เราไปเที่ยวเพื่อจะได้หายเศร้าชวนให้เราไปออกไปเจอโน่นเจอนี่บ้างจะได้หายเศร้านะไม่ว่าจะเป็นเศร้าเพราะ อ, อกหกักเพราะพัดาคนแล้ว ก, ก็ตามคนส่วนใหญ่ทำยังไงคนส่วนใหญ่ไม่ยอมไปจะอยู่จะนั่งเจ้าจุกเพราะอะไร เพราะความเศร้ามันสั่งมันสั่งให้เราอยู่ตรงนั้นเพราะมันรู้ว่าถ้าเราไปเที่ยวมันจะเลือนหายไปจากใจมันจะถูกความสนุกสนานลื่นเลงเบิกบานเล่นงานจนหายไปความเศร้ามันกลัวว่ามันจะหายไปจากใจมันก็สั่งเราว่าอย่าไปไหนอยู่ตรงนี้แหละนั่งซึมไปซึมไปเรื่อยๆเวลาเปิดเพลงเวลาเปิดเพลงเราเวลาเศร้าๆนี่เราอยากจะฟังเพลงอะไร อย่าฟังเพลงสนุกมะไม่เคยเราอยากเพลงเศร้าความเศร้ามันสั่งให้เราฟังเพลงแบบนี้เพื่อจะได้เศร้าต่อไปเวลาโกรธนะนะความโกรธไม่สั่งให้เราด่าเท่านั้นความโกรธมันสั่งให้เราโกรธต่อไปมีเพื่อนมาบอกว่าให้อภัยมีภาพมาบอกว่าให้อภัยความโกรธบอกว่าอย่ายให้อภัยพอถ้ามึงให้อภัยกูจะอยู่ไม่ได้นะความโกรธมันสัง่งแล้วเราก็เชื่อมันนะ แล้วก็พยายามที่จะเจ็บจดจําเหตุการณ์ในอดีตยพยายามนึกอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าไม่นึกความเศร้าไอ้ความโกรธมันจะหายไปความโกรธมันสั่งให้เรานึกถึงคนนั้นอยู่เรื่อยๆไอ้หมอ น, นั้นมันทําร้ายเราจริงๆผ่าบไปนานแล้วนะบางคนโกรธมากเลยนะโกรธเพราะคนนั้นคนนี้หลานก็ถามเกิดขึ้นเมื่อไหรโน่นสามสิบปีแล้ว สาสปีไม่หายโกรธเพราะอะไรเพราะเอาแต่คิดนึกถึงคนนั้นทำไมถึงคิดเพราะความโกรธมันสั่งให้คิดคิดทุกวันเลยลูกนี่ห่วงแม่และแม่ผูกจิตพยาบาทคนคนหนึ่งเพราะว่าเคยช่วยแล้วถูกทรยศถูกเนรคุณพาไปสาสิปีแล้วก็ยังไม่ไม่ลืมนึกถึงทีไรก็โกรธ แลวตอนหลังเนี่ยไม่แค่นึกถึงนะบ่นด้วยบ่นอยู่เรื่อยๆบน่นแทบทุกวันบ่นทีารก็นิสัยเปลี่ยนเลยจากคนที่ใจเย็นมีเมตตาอบอ้อมอารีนะกลายเป็นคนโมโหฉุนเฉียวเปลี่ยนเลยนะนิอารมณ์พวกนี้มาทำให้คนเนี่ยนิสัยเปลี่ยนลูกก็กลัวว่าแม่นี่ถึงเวลาตายจะตายไม่ดีเพราะว่ามีความโกรธ จิตเป็นอกุศลเนี่ยพอตายก็ไปอบายนะจริงไม่ต้องรอไปอบายหลังตายหรอกไอ้ตอนที่ยังมีลมหายใจเนี่ยมันก็เหมือนกระตกนรกอยู่แล้วถูกไฟนรกเผาผลาญใจลูกก็พยายามบอกให้แม่ให้อภัยแม่โมโหลูกด่าลูกเราก็ว่าลูกกำลังจะแย่งชิงของรักของห่วงไปจากแม่เนี่ย ไอ้ความกลัวนี่เป็นของเราของห่วงตั้งแต่เมื่อไหร่มันควรจะเป็นของเราของห่วงไหมไม่ควรนะถ้าเรามีสติแนละ้วเราจะรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่น่าทิ้งแต่เรตยามที่โกรธเนี่ยมันหลงและความโกรธมันจะสั่งให้เราเนี่ยหรือในกรณีคือสั่งให้แม่เนี่ยปกปะะาษาความโกรธเอาไว้ลูกจะมาแย่งชิงความโกรธหรือลูกจะมาทําให้ความโกรธหายไปจากแม่ความโกรธมันสั่งให้แม่เนี่ยด่าลูกเลยบึงจะมายุ่งออ ก, กับกู ไปไกลๆอนี้แม่ไม่ได้สั่งนะความกลัมันสั่งให้แม่พูดเพราะมันกลวว่าถ้าแม่ทําตามที่รู้แนะนำความกลัดมันก็จะอันตรธานไปมันทนไม่ได้ให้ความกลวดมันใช้เรานะมันใช้เราจริงๆแล้วเนี่ยองครักษิทักษความกลัวนไม่ใช่ใครเลยคือเรานั่นแหละมันไม่ใช่รวมทั้ององครักพิทักความความ โกรธความเกลียดความเศร้าคือเราเน้นแหละมันใช้เรามันใช้เราได้เพราะอะไรเพราะเราไม่ไปมันดูใจมันเหมือนกับไวรัสนะไวรัสซิมปอรมันเข้าไปในเซลเราแล้วนะมันก็จะสั่งให้เซล์ในร่างกายเราเนี่ยผลิตตัวไวรัสผลิตตัวมันซ้ําผลิตซ้ําตัวมันมากๆมากๆากมากมากจากหนึ่งตัวก็เป็นเป็นล้านเป็นสิบล้านจนกระทั่งในเซลล์นี่มันเต็มไปด้วยไวรัสแล้วก็จะแตกระเบิดออกไป แล้วไวรสมันก็จะเข้าสู่กระแสเลือดไปสู่อวัยวะส่วนอื่นแล้วก็ทําเหมือนเดิมคือมันจะควบคุมเซลล์แล้วก็สั่งเซลล์ให้ผลิตตัวมันซ้ํามากๆไออารมณ์อกุศอลมันทําแบบเดียกันเลยกับกับเรามันสั่งเราทําไมมันทําอย่างนี้กับเราได้ทั้งๆที่เราเจอมันไม่รู้กี่ครั้งแล้วร่างกายเรานะถ้าเจอเชื้อโรคเพียงแค่ครั้งเดียวนมันจําได้มันจําว่้ไอ้นี่คือหวัดไอ้นี่คือใครถรพิษ อั น, นี้คือการระลอกและทํามาครั้งที่สองนะเสร็นะไอ้ไอ้ไอ้ชื้อโรคนี้เสร็จมโนตเสร็จภูมิคุ้มกันในร่างกายไม่เลือดขาวจะเข้าไปจัดการร่างกายแล้วเนี่ยโง่ได้ครั้งเดียวนะพลาดได้ครั้งเดียวครั้งที่สองนี้ร่างกายไม่เคยพลาดเซลล์มันจะเซลล์ไม่เลือดจะเข้าไปจัดการแต่ทําไมเราเนี่ยนะใจเราเนี่ยมันถึงพลาดไม่รู้อีกครั้ง ความโกวดเกิดขึ้นเป็นพันเป็นหมื่นครั้งความหงุดหอีความเรียกเกิดขึ้น cinco, ครั้งไม่เคยเรียนรู้อะไรเลยเหรอส่วนใหญ่ไม่เคยเรีย น, ร, ร, นยยรู้เพราะไม่เคยดูใจไม่เคยรู้ใจเอาแต่เรียกร้อยคนนั้นคนนี้มารู้ใจเราเนีกลับมามันดูรู้ตามดูรู้ใจเรานะแล้วนะลถ้าความโกวดเกิดขึ้นอีกเราจะฉลาดขึ้นมันเกิดขึ้ น, ขนที่ขั้นที่สองเราจะฉลาดกว่าเดิมเกิดขึ้นขั้นที่สามเราจะฉลาดยิ่งขึ้นเพราะเรารู้ทันมันเพราะเราเห็นมัน ไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยเราโง่เพราะเราเป็นมันเราหลงเข้าไปเป็นมันถ้าหลงมาใหญ่นะเราโง่เหมันนั้นถึงบอกว่าให้เราขยันรู้ถ้าขยันรู้ฝ่ายรู้เพราะถ้าเรารู้ว่ามันเกิดขึ้นเราจะฉลาดกว่าเดิมโกรธเกิดขึ้นสิบครั้งเราฉลาดขึ้นเพราะเราเห็นมันให้เวลาเจริญสติเนี่ยมันมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นนะมันจะเป็นของดีนะถ้าเราเห็นมันโกรธรู้โกรธเกิดขึ้นรู้เครียดเกิดขึ้นรู้นะหงุดหงิดเกิดขึ้นรู้ มันโนเมื่อไหร่รู้เมื่อเรารู้บ่อยๆนี้นะเราจะรู้ทันมันเราจะจับทางมันได้และต่อไปเราจะเรียนจากมันมันจะกลายเป็นครูสอนเรานะนะเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องความไม่จรหลังความเป็นทุกข์วความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันจะสอนเราเรื่องแม้กระทั่งง่ายๆคือเนี่ยตบมือข้างเดียวไม่ดัง นั่นก็หมันรู้เอาไว้นะอะไรเกิดขึ้นจะไปหงุดหงิดจะไปรำคาญอย่าไปคิดว่าปฏิบัติต้องไม่โกรธต้องไม่หงุดหงิด ต, ต้องไม่ฟุง้งต้องไม่มโนโว่ามันเกิดขึ้นและยิ่งมันรู้ว่ายิ่งความหลงมันรู้ว่าเราจะพยายามที่จะรู้มากขึ้นมันจะยิ่งรังควาเรามากขึ้นหลายคนบอก ว, ว่าตอนแม่ปฏิบัตินี่มันไม่ไ ม, ไม่ฟุ้งเลยเพอปฏิบัติฟุ้งเหลือเกินนั่นเป็นเพราะว่าไอ้ความหลงเนี่ยมันกลัวว่ามันจะหมดพิษสง์มันจะหมดอิทธิพลมันก็เลยหาทางปวดเราหนักขึ้น หาทางพยศหนักขึ้นเราต้องรู้นะว่านี่คือลูกไม้ของมันเพราะมันกลัวว่าเราจะรู้มากขึ้นเราจะเราจะมีตัวรู้มากขึ้นบทบังความหลงให้มันหมดอิทธิพลไปมันก็ต้องพยายามป่วนให้หนักเพื่อเราจะได้เลิกจะได้ท้อแท้แล้วมันจะได้กลับมีอมิทธิพลต่อจิตใจเราเหมือนเดิมต้องจับทางมาให้ได้ต้องรู้ทางมันแล้วก็จะไปยอมแพ้อ้าวาเนื้พกับทานานนะเอากลับ